ปลาสาวใจเด็ดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมะชายฝั่งลําธารแห่งหนึ่งมีชายหญิงคู่หนึ่งอาศัยอยู่พวกเขามีลูกสาวชื่อว่าโคอีโคอีเป็นเพื่อลูกสาวคนเดียวที่มีนิสัยร้ายกาจและซุกสนโคอีมาช่วยแม่ล้างจานหน่อยลูกรักซุปจะไหม้แล้วจ้าล้างจานจะกระปรักพวกนี้เหละคะ่ะ <laughs> ตลกจริงเลยอะ่ะแม่โคอีไม่เคยช่วยแม่ของเธอเลย เธอร้องรำทำเพลงและเล่นไปทั่วทั้งวันอย่างไรก็ตามเช้าวันหนึ่งแม่ของเธอดูเหนื่อยอ่อนขนาดโคอิกเองก็อดถามไม่ได้ว่ามีอะไรที่พอจอใจเธอช่วยได้ไหมลูกพ่อจะเอาแหออกไปที่ชายฝั่งลำธารแล้วซ่อมรูที่ขาดหน่อยได้ไหมจ๊ะพ่อของลูกต้องไปหาปลาตอนเช้ามืดนะ่ะแน่นอนสิคะแม่โค อ, อิกนำแหออกไปและซ่อมมันอย่างขมักขม่นไม่นานนักก็ไมเหลือรูอีกแล้ว เธอภูมิใจในตัวเองมากไม่นานนักเธอก็ได้ยินเสียงกระเซ็นของน้ำเธอเห็นปลาตัวใหญ่กระโดดลอยอยู่ในอากาศโค อ, อิกรีบคว้านแหงไปในน้ำโชคช่วยยิ่งกว่าทักษะที่เธอมีเธอจับปลาด้วยแหงได้สำเร็จเจ้าสวยดีนะเนี่ยเธอไม่ควรทำร้ายฉันเธอนั่งเด็กเห็นแกตัวอย่าพาเอออกจากน้ำไม่งั้นฉันจะเสเธอให้กลายเป็นปลาเลย ลงง แ, ลแล้วแม่ของโคอิกก็ออกมาจากบ้านโคอิลูกทำเสร็จหรื อ, อยังโอ้อวุนพราปลานน่นสวยจังเลยหนูจับมันมาเองค่ะแม่ทายสิคะมันพูดได้ด้วยละ่ะอะไรกันค่ะแม่มันบอกด้วยว่าถ้าหนูผ้ามันออกจากน้ำมันจะเสกหนูเป็นปลาด้วยละ่ะฮะไม่เชื่อไหมละ่ะโอ้ปล่อยมันไปเถอจะจ้ะบางทีมันอาจมีเวทมนต์ก็ได้นะ ทางหนูจะเอามันขึ้นจากน้ําล่ะเมื่อพูดจบโค อ, อี ก, ก็ดึงแขนออกมาจากน้ําแล้วเมื่อเธอทำเช่นนั้นปลาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นแสงเวทร ะ, ระยิบระยับมันลอยอยู่ในอากาศและพูดว่าฉันเตือนเธอแล้วทีนี้ก็สายไปซะแล้วละ่ะเธอจะต้องกลายร่างเป็นปลาแล้วแหวกไหวยอยู่ในน้ําแสงเวทปลิวออกไปและทันในดนั้นเอง โคอิก็กลายไปเป็นปลาอ๋อไม่ลูกแม่โคอิไม่โคอิคอรู้สึกดีขึ้นที่ได้อยู่ในน้ำและเธอก็สามารถว่ายออกไปในทะเลซึ่งอยู่ใกล้ๆได้ในไม่ช้าเธอก็ไปถึงทะเลสีหน้าอันเศร้าสรอยของเธอทำให้ปลาตัวอื่นๆสงสัยพวกมันว่ายอยู่รอบตัวเธอและขอให้เธอเล่าเรื่องราวให้ฟัง โค อ, อีบอกพวกเราปลาในสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่ใช่ปลาสักหน่อยฉันเป็นเด็กผู้หญิงอย่างน้อยก็ไม่กี่นาทีก่อนนะนะก็ Girl, ถ้ามันทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งนั้นแหละยิ้มซื่เข้าไว้มากับพวกเราสิมาดูราชินีเธอเป็นราชินีผู้แม่ตาและดีที่สุดเลยโค อ, อีกกรงกลัวเล็กน้อยแต่เธอกลัวยิ่งกว่าถ้าจะถูกทิ้งไว้ลําพังเธอจึงตามพวกมันไปพวกมันแหวกว่ายไปลึกขึ้นและลึกขึ้นกับปลาตูอื่นๆ ไม่นานนักก็พากันไปถึงก้นทะเลนี่ยังไงเรามาถึงแล้วโคอิเห็นพระราชนินีและไม่อยากเชื่อว่ามีสถานที่ที่สวยงามตรงหน้าว้าวเจ้าคือใครแล้วเจ้ามาจากไหนโคอิยังคงลังเลแต่ปลาตัวอื่นๆต่างดันเธอไปด้านหน้าและเธอก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับราชนินีฟังอืม เองก็เคยเป็นเด็กสาวมา ก, ก่อนเจ้าหญิงน่นะจะว่าไปข้าอพิเศษกับพระราชาผู้หล่อเหลาแถมมีพระโอรสหน้าตาดีเท่าที่โลกนี้เคยเห็นมา ก, ก่อนอ้อันนิจจานั้นก็นานมาแล้วละ่ะพระโอรสทรง่อเป็นหนุ่มแล้วและพระสวามีก็คงจะงทรงชรภาภพว่าแต่เกิดอะไรขึ้นน่ะฝ่าบาททำร้ายปลาเหมือนกันเหรอโอ้ไม่ข้าไม่ได้ทแบบนั้นการทำร้ายสัตว์มันผิด คนเราไม่ควรทําอย่างนั้นนะโคอีกคอตกด้วยความละอายใจแม่มดร้ายน้าสอบปาเห็นสามีของข้าตอนที่พระองค์ตรัสตอบพระสงนิกกนแล้วเธอก็ตกลุ่มรักพระองค์ไม่ทันใดพระองค์ก็พิเศษ ก, กับข้าถ้าไปหาพี่ชายซึ่งเป็นยักษ์แล้วก็บอกกับเขาว่าเธอจะไม่แต่งงานกับใครนอกจากพระราชาดาซิ เจ้ายักษ์มาอย่างพระราชวังและมาเห็นว่าพระราชาทรงมีคู่ครองแล้วเขาก็กลุ้มคลั่งเจ้ายักษ์พยายามหาเวลาที่เหมาะเจาะเช้าวันถัดมาเขาขโมยมงกุฎจากข้าจับตัวข้าไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วจากนั้นก็ทญญาณขึ้นไปบนฟ้าและลงมาใกล้กับทะเลมงกุฎนี้เป็นของน้องสาวข้าเธอตกลุมรักพระราชาและข้าจะสาบเจ้าให้เป็นปลา เจ้าจะได้ไม่มีวันวนคืนกลับมาอีกเว้นแ ต, เต่เจ้าจะกลับมาเอามองกุฎนี้กลับคืนซึ่งไม่มีวันเกิดขึ้นแน่เจ้าถึง ก, กับกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ถึงตอนนั้นน้องส า, ขาวข้าก็จะแต่งงานกับเจ้าชายและได้เป็นราชินีในที่สุดยังไงละ่ะรู้ไหมไม่แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้พอเขาสาบค่าใหยกลายร่าง อีกกาก็บินมาหาเขาแล้วก็กระซิบบางอย่างที่ข้างหูน้องข้าไม่ hey, hey, เฮ้เฮ้เกิดอะไรขึ้นน้องสาวของเขารู้แล้วว่าพระราชาทรงอภิเสกสมรสแล้วเธอก็เลยจบชีวิตตัวเองลงอีกกาบินหนีไปและด้วยร่างครึ่งร่างครึ่งป่าของฉันที่นั่งร้องไห้อยู่บนหินนั่นเอง ฉ, ฉันก็ได้พบกับจุกปาหมึกยักษ์แสนฉลา จตาชีวิตของทะเลอยู่ในมือเจ้าแล้วสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มาได้อยู่ที่นี่แต่แรกถูกต้องคํำสาบ พ, พวกเขาต้องแวกว่ายไปในน้ําทั้งวันลงเป็นราชินีของพวกเขาและส่องแสงให้พวกเขาได้เห็นทางวันหนึ่งจะมีปลาตัวที่จามออกมาปรากฏต่อนหน้าสําหรับยาวิเศษของเธอนั้นพลังอํานาจจะเปลี่ยนเธอไปเป็นปลานกแก้วและลิงเธอจะนํามงกุฎกลับคืนมาให้กับเจ้าแล้วปิดคํำสาบนี้ลงเสียทีและนั่นก็คือเรื่องของเรา เราทุกคนถูกสาปอยู่เหมือนแต่ว่าฉันจะได้มองกดกลับขึ้นมาเราจะได้กลับไปอย่างที่เดิมในสภาพของมนุษย์มอมฉันจะไปเอาให้เองเพคะปรดบอกหม่อมฉันว่าต้องทำยังไงอมนั่นคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะได้โปรดให้โอกาสหม่อมฉันได้โปรดหม่อมฉันไม่อยากเป็นปลาไปตลอดชีวิตหม่อมฉันอยากกลับไปหาพ่อกับแม่ อ, อ, อ, อ, อ, อโอ้พ่อแม่จ๋าหม่อมฉันคิดถึงพวกเขาจังเลย ในช่วงเวลานั้นเองโคอิกรู้สึกระคายเคืองเล็กน้อยเนื้อปากของเธอทันใดนั้นเองเธอก็จามออกมาเฮ้เฮ้เฮเจ้าเออโอ้เจ้านั่นแหละต้องเป็นเจ้าทัานใดนั้นเองแสงแห่งความหวังก็เกิดขึ้นท่ามกลางหมู่สัตว์น้ำนี่ไงเอาอย่าวิเศษไปแล้วดื่มมันซะโคอิกยังคงลังเลเมื่อเธอมองไปรอบๆบ มันจะไม่มีอันตรายหรอกถ้าเจ้าทำตามคำบอกดื่มมันซะกลับไปยังโลกมนุษย์เดินทางไปยังยอดเขาสูงที่ที่เจ้ายักษ์ครองปราสาทอยู่ถ้าเขาเห็นเจ้าขึ้นมาก็าอาจทำร้ายเจ้าได้เพราะงั้นยาวิเศษนี้จำเป็นมากมันจะมอบพลังให้เจ้าเปลี่ยนตัวเองเป็นกวางนกแก้วและลิงเจ้าจะต้องพงงกหัวแล้วก็เรียกชื่อของมันด้วยละโค อ, อีพยักหน้าและดื่มยาวิเศษ เธอบอกลาปลาตัวอื่นๆและมุ่งหน้าไปนํามงกุฎมาให้จงได้ขอโชคดีนะคุอีอีคุณอีไปถึงชายฝั่งและประหงวัวของตนเองเจ้ากวางจะมาหาค่ะชั่วขณะหนึ่งเธอแปลงร่างเป็นกวางผู้เลยโฉมพร้อมกับเขาที่แผ่สวยงามและขาเรียวยาวเธอยิ้มและเริ่มวิ่งเธอเริ่มกระโจนไปอย่างง่ายได้เหนือก้อนหินที่กวางทางเธออยู่ไม่นานนักเธอเดินผ่านป่าทึบ เธอเห็นชายผู้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้กำลังเล่นฟลุตอยู่ชายผู้นี้มีชื่อว่าซินเวสเตอร์ชายผู้นี้เป็นพระอรรถขององค์ราชินีนั่นเองโคอิทหยุดทันทีเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนใดมีใบหน้าหล่อเหลาขนาดนี้มาก่อนซินเวสเตอร์เลื่อนฟุตจากปากของเขาและโตตะลึงที่ได้เห็นกวางดวงตาของเขาเปล่งประกายและต้องมนต์บางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นในกวางมาก่อนสำหรับเขาแล้ว มันประหนึ่งว่าเป็นดวงตาของมนุษย์นั่นเองคูอิค่อยๆเดินผ่านเข้าไปจากนั้นก็วิ่งออกไปอย่างเร็วจีเดี๋ยวก่อนนั่นเป็นกวางเป็นไปไม่ได้เลยวางพูดไม่ได้นี่ไม่มีกวางตัวไหนที่มีดวงตาแบบนั้นเธอเป็นนางฟ้า ห, หรือเป็นหญิงสาวผู้วิเศษกันแน่โคอิเดินทางไปถึงปราสาทของเจ้ายักษ์อย่างเหนื่อยอ่อนจากนั้นก็ประงกหัวเจ้าลิงมาหาข้าเร็วในครานั้นเองเธอเบี่ยงตัวเองเออกมาจากเก่งมาที่สูงที่สุด จากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งโอโคอิไปถึงห้องที่เจ้ายักษ์กำลังกรนคลอกอยู่ฉันต้องแปลงร่างสินะไม่งั้นเขาไม่มีทางมอบมองกุฎให้ลินเป็นแน่เลยเธอกลายร่างไปเป็นนกแก้วสีชมพูและสีเทาแล้วกระโดดเข้าหาเจ้ายักษ์ <c oughs> เมื่อเจ้ายักษ์ลืมตาตื่นขึ้นโค อ, อิจึงพูดว่าฉันมาเอามองกุฎเอาคืนมาน้องสาวของเจ้าน่ะเขาตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะใช้มัน อใจเย็นๆกอดได้โปรดข้าขาไปก็ไม่ได้ทําให้น้องสาวของเจ้าฟื้นขึ้นมาและไม่มีวันเอาวันขึ้นเก่าๆขององค์ราชินีผู้ที่เจ้าสาวพระองค์ไปเป็นเครื่องคนเครื่องปลากลับมาแน่เมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้ายักษ์คืนในสิ่งที่เขาแทบลืมไปแล้วว่าได้ทําอะไรลงไปกับองค์ราชินีโอ้คุณประช่วยพระราชินีโอ้ใช่แล้วพระราชินีโอ้นี่ข้าขาดเขาขนาดไหนกันเนี่ย ข้าลืมเรื่องพระองค์ไปแล้วโอ้ไม่นานเลยไม่เป็นไรนะมันยังไม่สายไปเอามงกุฎมาให้ค่าแล้วข้าจะนำไปให้ราชินีโอ้เจ้านกแก้วตัวน้อยน่ารักอ่ะเอามงกุฎนี้ไปโปรดบอกพระราชินีว่าข้าระอายใจในตัวเองอย่างเหลือเกนจริงๆนะโค อ, อิคนำมงกุฎไปจากเขาโดยที่ไม่รีรออะไรอีกแล้วเธอบินออกจากหน้าต่างเมื่อโค อ, อิไปถึงทะเล เธอร้องเป็นครั้งสุดท้ายเจ้ปาปลามหาข้าเร็วเึอ ก, กระโดดลงไปน้ําดิ่งลงไปยังปราสาทพระราชนีและปลาตัว อ, อื่นๆต่างรวมพลรอเธออยู่เป็นเวลาหลายเดือนที่โคอิจจากไปและตอนนี้พวกเขาก็สงสัยมากกว่าความตื่นเต้นดูซิดูซิเธออยู่นั่นไงโคอิตรงดิ่งไปหาพระราชนีผู้ได้ทรงโคง้งน้อมรับมงกุฎอยู่และทรงวางเอาไว้บนเศียรของพระองค์ ช่วเวลานั้นเองหางของพระองค์ก็หายไปกลายเป็นสองพระบาทที่งดงามที่สุดในโลกหญิงสาวรายล้อมอยู่รอบพระกายาก็สลัดเกรดออกและกลายเป็นเด็กผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งเจ้านั่นเองที่นำพาชีวิตของพวกเรามานะมันคือเจ้าเจ้านั่นเองข้ออีกที่รักเจ้าทีกล้าหาญชานชัยข้าคงกล่าวขอบคุณไม่พอที่เจ้าเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อพวกเราทั้งหมด ดูแลตัวเองและจับเอาไว้ว่าเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่ดีหากเจ้าเห็นแก่ตัวและไรไ้เมตตาต่อมนุษย์ด้วยกันและสเซตอื่นๆรอบตัวเจ้านะม่ำฉันไดเรียนรู้แล้วพี่คะม่ำฉันจะไม่มีวันไร้ความเมตตาและเห็นแก่ตัวกับใครก็ตามอีกแล้วและแล้วพวกเธอก็ย้ายกันไปตามทางอย่างมีความสุขเมืเ่อโคอี ก, กลับถึงบ้านพ่อแม่ของเธอก็กระโดดตัวลอยพร้อมกับความสุขและกอดเธอนั่นอ๋อลูกน้อยแม่คิดว่าจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูกอีกแล้ว คอีอธิบายพวกเขาในทุกอย่างที่เกิดขึ้นพ่อแม่ของเธอตกใจมากและก็ดีใจมากด้วยที่ลูกสาวของพวกเขากลับบ้านในที่สุดในขณนะดเดียวกันพระราชนินีก็เสด็จไปถึงพระราชวังพร้อมกับทรงอธิบายทุกอย่างต่อพระราชาและเจ้าชายเจ้าชายซินเวสเตอร์ทรงดีพระไทยที่ได้เห็นพระมารดาในรอบหลายปีแต่หลึกๆแล้วพระไทยของพระองค์กลับนึกถึงแต่เจ้ากวางที่หน้าลหลงไหลตัวนั้นมากกว่า เกิดอะไรขึ้นลูกแม่ลูกไม่มีความสุขที่ได้เจอแม่เหรอจ๊ะอ๋อดีใจสิมันก็แค่เรื่องอืบอย่าได้ส่งสายพระไทยเลยคงไม่มีใครเข้าใจหรอกบอกแม่มาไม่มีอะไรที่แม่ไม่เข้าใจในตัวลูกหรอกนะเจ้าชายซินวสเตอร์ประทับพระมารดาเรื่องกวางรูปงามตัวนั้นพร้อมกับดวงตาอันสุกประกายซึ่งพระราชนีเองก็ได้แัดทรงพระสวนโอโอโอโอโอโอโคอีอโอโออโคอีเหรอ เสด็จแม่ผู้เรื่องอะไรกันเหรอลูกรักทำไมลูกไม่มากับแม่ล่ะค่ะใครคะโอ้พระราชนีและนี่คือลูกชายค่ะซิเวสเตอร์ซิเวสเตอร์อรนี่คือโค อ, อีคนที่ช่วยพวกเราทั้งหมดแม่มั่นใจว่าลูกเคยพบกันแล้วเจ้าชายซิเวสเตอร์ทรงเย็นอยู่ต่อหน้าเธอเธอสวยงามกว่าใครๆที่พระองค์เคยทรงฝันหา เจ้าชายทรงสูญเสียความกล้าหาญทั้งหมดได้แต่ก้มพระเศียรต่อหน้าเธอโคอิกยิม้มและเดินไปที่พระองค์ทั้งสองจ้องมองกันเป็นหนึ่งเวลาหยุดอยู่รอบตัวพระราชินีและพ่อแม่ของโคอิได้แต่มองพวกเขาและยิ้มกว้างอย่างมีความสุข